เรื่องเมื่อเหลียงกลับใจโดยคุณเหลียงชัดชัยทักทานผมได้มีโอกาสมากราบพระอาจารย์หลวงตามาหาบัวยาณสัมปันโน โดยอาจารย์ธนิศีกลิ่นดีแห่งวงคาราบาวเป็นผู้ชักชวนอาจารย์เป็นนักดนตรีส่วนผมขายเครื่องดนตรีจึงมีความสัมพันธ์กันในฐานะพ่อค้าและลูกค้าแต่ก็รักใคร่ชอบพอสนิทสนมกันแรกๆอาจารย์ก็ชวนไปทาบุญธรรมดาชวนไปไหนผมก็ไปที่เชียงใหม่บ้างที่อื่นบ้างซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ค่อยได้ไปวัดหรือไปทาบุญเท่าใดนักเรียกได้ว่านานๆไปทีจนกระทั่งวันหนึ่ง อาจารย์ธนิพก็มาชวนให้ไปทำบุญใส่บาตรกับหลวงตามหาบัวที่สวนแสงธรรมและถามผมว่ารู้จักหลวงตามหาบัวหรือไม่ผมตอบว่าไม่รู้จักเพราะปกติก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดอยู่แล้วและผมก็ได้ขับรถไปใส่บาตรที่สวนแสงธรรมตอนนั้นเป็นปีพศ2530ครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาใส่บาตรที่หน้าสวนแสงธรรมขณะนั้นถนนพุทธมณฑลเพิ่งตัดใหม่ ขับรถประเดี๋ยวเดียวก็ถึงคนก็ไม่มากเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ได้มาใส่บาตรอยู่บ่อยๆเมื่อว่างก็จะขับรถพาลูกและแม่บ้านมาใส่บาตรเสร็จแล้วก็กลับโดยไม่รู้ว่าข้างในสวนแสงธรรมมีอะไรเมื่อใส่บาตรมาได้ระยะหนึ่งก็มีคนชวนให้เข้าไปในสวนแสงธรรมพร้อมกับอาจารย์ทนิตจึงได้พบคุณหลวงซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านคนหนึ่งคุณหลวงได้เป็นผู้ริเริ่มจัดหาวิทยุที่อัดเทปได้ พร้อมทั้งเป็นเครื่องขยายเสียงเล็กๆซึ่งมีลำโพงอยู่สองตัวเอาไปวางไว้ใต้แคร่ที่นั่งของหลวงตาเพื่ออัดเสียงเมื่อเวลาท่านเทศหลังชันอาหารเสร็จแล้วโดยจะจัดส่งไปที่วัดป่าบ้านตาดเพื่ออัดแจกเผยแพร่ไปให้ลูกศิษย์ได้ไว้พิจารณาทบทวนคำสอนของท่านและเพื่อเก็บรวบรวมเป็นธรรมะคาสอนของท่านตามที่ได้ทาอยู่ทุกวันที่วัดป่าบ้านตาด ครั้งนั้นสวนแสงธรรมยังมีคนไม่มากเหมือนเช่นทุกวันนี้ในวันธรรมดามีอยู่ประมาณ5 0าสถึงหกคนและวันเสาร์วันอาทิตย์มีมากขึ้นเต็มศาลาหลังเก่าทุกคนก็ยังได้ฟังเสียงหลวงตาด้วยลำโพงเล็กๆสองตัวเท่านั้นในช่วงนั้นไม่มีใครรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องเสียงมีอาจารย์ธนิตเท่านั้นที่เป็นนักดนตรีจึงพอมีความรู้จึงได้รับมอบหมายจากคุณหลวงให้ทําหน้าที่นี้อาจารย์ธนิตดูแลเครื่องเสียงอยู่ได้ไม่นาน ก็ต้องเดินทางไปเล่นดนตรีที่ต่างจังหวัดจึงมอบหมายหน้าที่ให้ผมผมก็คิดว่าจะทำหน้าที่นี้แค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่จากสถึงสวันก็กลายมาเป็นอาทิตย์หนึ่งผมก็คิดว่านี่จะกลายเป็นภาระหน้าที่ประจำของเราไปแล้วหรือเท่ากับเป็นการผูกมัดผมชัดๆผมนึกด้ใจยอยู่หลายวันระหว่างแผนว่าต้องหาคนมาสืบทอดจากผมให้ได้เพราะผมคงไม่มีเวลามาวัดได้ทุกวันและทุกเช้าอย่างนี้ แล้วก็นึกถึงคุณแฉนคือคุณสีประพาคล่องคํานวณการและพี่กรมคุณชานรงค์แดงกูลที่ผมพอรู้จักเพราะเป็นเพื่อนของอาจารย์ธนิชเมื่อคิดได้ดังนั้นและผมก็ปรับเครื่องเสียงเตรียมไว้และเอากระดาษปะให้รู้ว่าตัวนี้ปะเลขนี้ตัวนั้นปะเลขนั้นเพื่อสะดวกในการปรับเสียงเพราะเวลาหลวงตาเทศเสียงท่านค่อนข้างเบาต้องคอยปรับถ้าคนปรับไม่เป็นหรือปรับไม่ถูก ไม่ก็จะไม่ดังและเกิดเสียงหอนขึ้นแค่ผมเริ่มคิดปะเลขวันนั้นหลวงตาท่านเทศขึ้นมาว่าคนบางคนเนี่ยมาวัดทั้งทั้งที่ไม่อยากมาฝืนใจมาผมมองซ้ายมองขวาคงไม่มีใครมีเรานี่แหละที่กำลังเตรียมตัวจะไปแล้วเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเรามาจับเราให้อยุดตรงนี้จนกลายเป็นหน้าที่ประจำของเราได้อย่างไร เราก็อยากจะตื่นสายบ้างทำธุระอย่างอื่นบ้างและตั้งใจว่าเมื่อปักเลขเสร็จแล้วจะมาบ้างไม่มาบ้างก็ได้ท่านก็เทศเปลี่ยขึ้นมาเลยว่าคนบางคนเนี่ยมาวัดทั้งๆที่ไม่อยากมาฝืนใจมาซึ่งวันนั้นผมฝืนใจมาจริงๆฝืนมาหลายวันแล้วด้วยคำพูดของท่านทำให้ผมคิดหนักและในที่สุดก็ตัดสินใจมารับหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียงด้วยความเต็มใจ ผมเองขายเครื่องดนตรีและพอมีความรู้เรื่องดนตรีกับเครื่องเสียงแต่ไม่มากนักแต่ด้วยแรงศรัทธาผมจึงได้พยายามทำให้ดีที่สุดปรับปรุงไปเรื่อยๆและด้วยหน้าที่เนี้ยทำให้ผมได้ฟังเท็จของท่านทุกๆวันเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่พอฟังนานๆก็เริ่มเข้าใจซึ่งบางครั้งผมมีปัญหาหรือความทุกข์ในใจ ท่านก็แสดงธรรมะตรงกับปัญหาที่เรากําลังเป็นทุกข์อยู่เราก็สามารถนำธรรมะที่ท่านแสดงมาแก้ปัญหาได้ธรรมะที่ท่านแสดงนั้นเป็นธรรมะที่เป็นประโยชน์และเต็มไปด้วยเหตุผลซึ่งผมไม่เคยได้ยินได้ฟังเทศนาธรรมแบบนี้เลยคําสอนของท่านทําให้ผมฉลาดขึ้นผมยอมรับว่าตั้งแต่ผมได้มารับใช้ท่านผมฉลาดขึ้นผมไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นว่าผมฉลาดกว่าหรือโง่กว่าเขา ผมเปรียบเทียบกับตัวเองในครั้งอดีตที่ผมยังไม่เคยมากราบท่านกับปัจจุบันที่ผมได้ทำหน้าที่นี้ซึ่งผมจะต้องคอยฟังและคอยแก้ปัญหาเรื่องเครื่องเสียงจึงทาให้ธรรมะซึมซาบเข้าสู่หัวใจโดยไม่รู้ตัวนานเข้าก็รู้ว่าแต่ก่อนเราเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นอย่างไรฉะนั้นผมจึงยอมรับว่าผมฉลาดขึ้นเพราะคาสอนของท่าน ในอดีตเราเคยทำโดยที่เราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิดแต่คำสอนของท่านทำให้เรามีความคิดเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปสิ่งใดเป็นประโยชน์แก่ชีวิตสิ่งใดไม่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตผมมีความสุขมากที่ได้รับใช้ท่านและก็ทำด้วยความเต็มใจทุ่มเทเต็มที่เท่าที่สามารถจะทำได้เป็นเวลา20ปีที่ผมได้รับใช้ท่านทุกครั้งที่ท่านมาพักที่สวนแสงธรรม ผมไม่เคยได้คุยกับท่านเป็นการส่วนตัวเลยผมก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปที่มาทำบุญฟังเทศแล้วก็กลับบ้านพูดตรงๆคือผมกลัวท่านและดูท่านค่อนข้างจะดุแต่จริงๆแล้วผมรู้ว่าท่านเมตตามากผมไม่กล้าเข้าใกล้ท่านถามอะไรผมตอบไม่ทันเพราะปัญญาไม่ถึงเพราะคนที่จะอยู่ใกล้ท่านต้องเป็นคนที่ฉลาดและมีปัญญาเท่านั้นดังนั้น ผมจึงรับใช้ท่านแบบห่างๆตามที่ผมถนัดสิ่งที่ปรากฏกับผมเวลาที่ผมมีปัญหาหรือมีความทุกข์ผมก็จะอธิษฐานในใจขอบารมีหลวงตาและบุญกุศลที่ผมทำบุญกับหลวงตาจงช่วยให้ผมแก้ปัญหาได้ด้วยเถิดและผมก็เข้าไปถวายปัจจัยท่านก็จะหันมามองแวบหนึ่งเหมือนบอกว่ารู้แล้ว ผมจะถวายปัจจัยตามอัธยาศัยผมถือว่าเป็นบุญวัสนาของผมอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสารับใช้ท่านทําให้ผมเกิดศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงขอขอบคุณอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีและคุณหลวงเป็นอย่างยิ่งที่ทําให้ผมได้รับใช้องค์หลวงตาตราบจนทุกวันนี้บทความโดยคุณเหลียง ชัดชัยทักทานเสียงอ่านโดยโจโชโ